ปาติเทสนิยะกันท่านตั้งหลายทมคือปาติเทสนิยะสี่สิกขาบทเหล่านี้มาถึงวารรคที่ยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. นึ่งปฐมปาติเทสนิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 552. สมัยนั้น พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่หนพระเชตาวันรามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบิณธบาตในกรุงสาวัตถีเวลากลับพบภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านรับภิกษาหาหรเถิดภิกษุนั้นตอบว่าดีและน้องหญิงแล้วรับภิกษาหาหรทั้งหมด เมื่อใกล้เวลาฉันแล้วภิกษุณีนั้นไม่สามารถเที่ยวบินธาบาติได้ทันจึงไม่ได้ชันพัฒหารต่อมาแม้ในวันที่สองภิกษุณีนั้นแม้ในวันที่สภิกษุณีนั้นก็เที่ยวบินธาบาติในกรุงสาวัตถีเวลากลับพบภิกษุรูปนั้นจึงได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมณฑลท่านรับภิกษาหารเถิดภิกษุนั้นตอบว่าดีละน้องหญิงแล้วรับภิกษาหารทั้งหมด เมื่อใกล้เวลาฉันแล้วภิกษุณีนั้นไม่สามารถเที่ยวบินธบาติได้ทันจึงไม่ได้ฉันพระทหารครั้นในวันที่4ภิกษุณีนั้นเดินส่วนเซไปตามถนนเศรษฐีค้าบดีนั่งรถสวนทางมาได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้านิมนต์ท่านหลีกทางเธอเมื่อกําลังหลีกล้มลงในที่นั้นเองเศรษฐีค้าบดีขอเข้ามาภิกษุณีนั้นว่า แม่เจ้าท่านโปรดยกโทษกระผมทำให้ท่านล้มพิกุณีตอบว่าข้าบดีท่านไม่ได้ทำให้ดิฉันล้มดิฉันมีกำลังไม่ดีต่างหากเศรษฐีถามว่าแม่เจ้าเพราะเหตุใดท่านจึงมีกำลังไม่ดีที่นั้นพิกุณีนั้นจึงเล่าเรื่องนั้นให้เศรษฐีค่าบดีทราบเศรษฐีค่าบดีพาภิกุณีนั้นไปชั้นที่เรือนแล้วตาหนิประนามโลนนาว่า ชนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงรับอามิ t h จากมือของภิกษุณีเล่ามาตุคามหาลาภได้ยากพวกภิกษุได้ยินเศรษฐีฆ่า บ, บดีตําหนีประนามพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามพนธนาว่าชนัยภิกษุจึงรับอามิ t h จากมือของภิกษุณีเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ